คณะสตาญาโจนคณะสิทธิองค์หลวงตาของพวกเรานับตั้งแต่หลวงพ่อนะเป็นต้นไปหลวงพ่อเองพูดมาทุกวันขณะที่อาตมาภาพอยู่ที่นี่นะก็ได้แจ้งอาการอภาษขององค์หลวงตาแต่บางท่านบางคนก็อาจจะหออลวงพ่ออินทำไมพูดนะ ก็ได้ยินยยเสียงเสียงะท้อนย้อนกลับมาหาหาหลวงพ่ออยู่ เ, เป็นเป็นละลอกละลอกอก็ทําให้หลวงพ่อคิดเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงในใ น, ในความคิดของอคืออาตมาภาพเองเนี่ยอาตมาจะจะพูดให้แก่พี่น้องอยู่ที่ศาลาในฝั่งเท่านั้นแหล ะ, ะคืออยากจะให้พูดให้แก่พี่น้องศาลาฟัง แต่ชวนอื่นนั้นผู้ที่ยินออกไปนั้นอาจจะเข้าใจผิดว่าหน้า ง, งานก็นอยู่หลังงานเป็นยังไงผู้ที่อยู่หลังงานอาจจะคิดไปอีกแบบหนึง่งแต่พวกที่อยู่หน้างานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันว่าเราจะทํำยังไงในขณะที่องค์หลวงตาป่วยอยู่ในขณะนี้เราจะช่วยกันยังไงเราจะช่วยกันดูแลหมอพยาบาลผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร อันนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อเองก็อยากจะชี้แจงแต่เฉพาะบริเวณศาลาของเราเนี่ยแหละแต่ส่วนอื่นนะก็หลวงพ่อก็ไม่ไม่อยากจะอยากจะปิดเหมือนกันคือหลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อไม่อยากจะดังแบบดังกับดับมันอยู่ใกล้ๆกันดังกับดับแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันเพราะนั้นหลวงพ่อไม่อยากดังนะแต่ว่าอยากจะชี้แจงให้แป่พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพวกเรามาจังหันนะใครอยากจะรู้ เอาหลวงพ่อถามดูสิว่าพวกเราที่มานั่งอยู่ศาลานี้อยากจะรู้อาการอาภาษ์ของหลวงตาไหมถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะรู้ยกมือขึ้นใครไม่อยากจะรู้ทีนี้ให้ยืนขึ้นถ้ายกมือขึ้นเฉยๆหลวงพ่อจะไม่เห็นนะอนตาตมาภาพจะไม่เห็นถ้ายืนอนตาตมาภาพจะได้มองเห็นว่าเออไม่อยากจะรู้นะเอะ ก็แสดงว่าไม่มีใครยืนสักคนเลยเนี่ยก็ต้องคิดว่าพวกเรากคงอยากจะรู้ว่าอาการอาพาทขององค์ของตานี่ยแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็เห็นมาจุดนี้แหละขนาดอาตมาภาพอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยนะอยู่ในหุบเขานะหลวงพ่ออาตมาภาพเองก็จังฟังอยู่ทุกปีทุกวันวนะ่าเป็นยังไงขนาดฟังแล้วยังไม่จบจังโทรศัพท์ เข้ามาให้พระโทรศัพท์เข้ามาถามไทยในวัดอีกว่าอาการลงตาเป็นยังไงคือเป็นห่วงเป็นใยอันนี้หลวงพ่อมาคิดถึงหัวใจของตอนเองนี่แหละบอกคณะสัตย า, า ญ, ญาตยมที่อยู่ห่างไกลก็คงอยากจะทราบว่าอาการองคลงูกตาของเราเป็นอย่างไรเพราะนั้นอาตมาภาพเรมาอยู่ในเครื่องเสียงตรงนี้ก็เลยสีแจงให้แก่พี่น้องประชาชนได้ ร, รับรับทราบ แต่ว่าท่านผู้ใดนะไม่อยากจะทราบก็ไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนนะมีโทรทัศน์ก็ปิดโทรทัศน์ซะแล้วก็เปิดไปช่องอื่นก็ได้นะี่เอ อ, เ อ, อถ้าว่าใครอยากไม่อยากจะฟังโอ้จะจะเห็นปิดหูนะเนี่ยมันก็จบเรื่องใช่ไหมล่ะเพราะนั้นมันก็ไม่เห็นยากที่ตรงไหนเออถ้าเห็นหลวงพ่อขึ้นมาก็ขว้างแล้วก็มัน อย่างเดียวจุดจุดๆๆ <c oughs> เมื่อวานนี่นะได้สามวันแล้วล ง, งลงตาเราไม่ได้ลงมาชันจังหันแต่ก็ให้พวกสารอาหารประจำตลอดอยู่แล้วก็น้ําเกลือก็ให้แล้วก็เมื่อวานก็ให้ยาปฏิชีวนะ เ, เพราะว่าหมอเข้าใจว่าจะเป็นหวัด ต, ติดเชื้อหวัดเพราะนั้นจึงให้ยาแล้วก็วันวานเนี่ย ท่านเป็นไข้แบบรุมร่มอย่างที่อาตมาภาพได้เรียนให้คณะทาาญาติโยมได้ทราบว่าท่านเป็นไข้แบบรุมร่มใไล้ๆว่าไม่ถึงกระมากแต่ว่ารุมร่มวัดได้ก็บ37บกว่าพอสมควรสาหรับผู้สูงอายุนะเมื่อวานเนี่ยท่านก็ไม่ฉันะเช้า ว, วานพวกเราก็ได้เห็นองค์หลวงตามานั่งรอบศาลาแต่คนก็ท้วงติ้งมาว่านะคนทางไกลเขาบอกว่า ทำไมไม่ขยับลงตาให้นั่งตรงๆหน่อยทำไมให้ลงตาโค้งเอ่อทำไมผู้อยู่ใกล้ๆทำไมไม่ดูลงตาเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้อยู่ใกล้ๆลงตาด้วยเน้เออถ้าอยู่ใกล้ลงตาเนี่ยมันดังมันไกลไปทั่วโลกนะเออการนั่งก็ดีการทําอะไรกับองค์ลงตาก็ดีช่วยช่วยดูหน่อยเมื่อวานนังสือว่าคนท้วงอัตมาภาพหลายคนเพางั้นอ่ะทำไมให้ลงตานั่งค่อมกลัวลงตาจะตกรถ ก็เท่ากันว่างั้นไม่ขยับให้หลวงตานั่งตรงๆกว่านั้นนอยใชอันนี้ก็คือความท้วงติงนะถ้าคนไม่ท้วงติงมาพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้คนท้วงติงมาก็อาตมาภาพก็ได้บอกกล่าวผู้อยู่ใกล้องค์หลวงตานะแล้วก็ตอนเย็นๆองค์หลวงตาก็ได้ออกมาข้างนอกนั่งรถก๊อปออกมาพบกับลูกหลานแถบๆหน้าวัด บุคลานเข้ามาก็ได้กราบได้ไหว้อง์หลวงตาเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอันว่าท่านออกมาสองครั้งเมื่อวานนี้นะออกมาแต่อาตมาภาพเองก็เคยพูดให้แก่คณะทาญาิโยมได้ฟังคือท่านไม่ห่วงไม่ห่วงในสุขภาพของท่านหลวงตาของเราเนี่ยแกร่งจริงๆว่างั้นเถ อ, เอะท่านไม่วิตกไม่กังวลพอท่านไปได้แท้ที่ไหนไปอพอลุกคนมานั่งพอพูดเทศพูด เป็นอัจฉริยะอายุเก้าสิบปดปีเนี่ยจึงขนาดนี้ถ้าเป็นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกเราเห็นปู่ย่าตายายของพวกเรานะพออายุขนาดนี้มีแตนอนขดอยู่งั้นนะแต่ลงตาเห็นไหมท่านพอไปที่ไหนได้ไปได้ท่านไม่แสดงความอ่อนแอให้คณะสิทธิ์อย่างพวกเราได้เห็นเลยอายุท่านมากขนาดนี้ท่านยังแสดงความแข็งแกร่ง ความอัจฉริยะของท่านให้แก่พวกเราได้ให้ได้เห็นนะแล้วก็นับแต่เมื่อวานมาจนถึงเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้อาจเจียนนะอเน น, นาวิตกอยู่อาจเจียนหลายครั้งเป็นส0บครั้งนะแล้วก็ออกอาจเจียนของท่านเป็นสีอะไรนะพวกเราก็คงอยากจะทราบเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวออกมาแล้วก็หมอเขาวัดดูอาจเจียนเมื่อคืนนี้ได้300ร้อ 40่สิบก็มากพอสมควรนะแต่อาการาถ่ายของท่านเมืม่อเชา้านี่แต่เมื่อวานเมืม่อวานถ่ายสองครั้งแต่ก็ยังมีอาหารอยู่กระพงจะเป็นอาหารเกี่ยวกับทั้งใส่น้ําเกลือและอะไรลักษณะนั้นกำลังแต่เมืม่อเช้านี่ก็ระบายนะเมื่อเช้าตอนออกจากห้องมาก็ระบายถ่ายอยู่ออกมากพอสมควรครับเมื่อเช้าเนี่ยนะลุงตา ามากพอสมควรแต่ถามดูว่าไข้ไม่มีเมื่อเช้าเนี่ยไข้ไม่มีความดันปกติหัวใจปกติปกติหมดทุกอย่างนะเนี่ยนี่แหละตา ม, มาภาพจาร่ในฟังนาหมอเขาเขาเขียนหมอที่เฝ้าเวีนอุค์หลวงตาทั้งคืนนวันตั้งแต่วันที่21ช่วงเช้าหลวงตาดูเหนื่อยอ่อนเพลีย แต่สามารถนั่งรถก๊อบออกมารอบศาลาและหน้าวัดฉันอาหารไม่ได้เมื่อวานนีช่วงบ่ายออกไปบริเวณหน้าวัดได้มีมีน้ำมูกใสกลางคืนมีอาการอาอเจียนหลายครั้งเป็นน้ำสีเขียวปัสสวะห6ครั้งถ่ายอุจจาระหนึ่งครั้งมีสีเหลืองกลางคืนไอเป็นคลั่งคลาวมีน้ำมูกใสเป็นระยะ ตรวจร่างกายความดันปกติไม่ได้วัดไขนะ้องท่านไม่ได้บ่นว่าตัวลุ ม, ลมนะๆก็คือท่านไม่ได้บ่นว่าท่านเป็นไข่นะแต่ว่านะปลายนิ้วเท้าด้านซ้ายทั้งสี่นิ้วนะดันซ้ายขงที่เป็นที่ท่านเป็นแผลที่หัวแม่ไม่เท้านะทั้งสี่นิ้วมีถุงน้ำพองมีถุงน้ำพองอยู่ปลายนิ้วนะแต่สาเหตุอะไรก็ไม่รู้ หมอกำลังสันนิษฐานกันอยู่อาจจะ อ, อาจจะพวกเราอาจจะกลัวจะท่านกันหนาวอาจจะเป็นพวกฮิตเตอร์อะไรอยู่ใกล้เกินไปอย่างไรก็ไม่รู้หมอกำลังพิสูจน์กันอยู่ปลายนิ้วเท้าทั้งสี่พองปลายนิ้วขวานหนึ่งนิ้วพองขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยไม่มาก ม, ามีน้ำใสๆนะแพทย์ได้ถวายยาฉีดระ ง, งับอาเจียนเมื่อคืนนี้นะ เห็นว่าท่านอาเจียนแพทย์ก็ได้ถวายยาฉีดระงับอาเจียนแล้วก็ถวายสารน้ําทางหลอดเลือดแต่คือว่าให้น้ําเกลือถวายน้ําเกลือท่านอันนี้แหละคือมเมื่อคืนเมื่อคืนมาถึงมื้อเช้านี้นะแต่ตอนมื้อเช้านี้อาตมาภาพก็ยังไม่ได้ถามพระหรือว่าผู้อุปถัมภะาใกล้ชิดว่าหลวงตาท่านฉันอาหารได้ไหมแต่ถ้าดูดู ถ้าโวงตายังอาเจียนอยู่ก็คงจะคงจะทานอาหารไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามือเช้านี่ท่านได้พักผ่อนแล้วทำไมไม่มีอาเจียนก็คิดว่าท่านคงจ ะ, ะทานอาหารได้นี่แหละคืออาการอาพาธขององค์หลวงตาแต่อาตมาภาพเองมาพูดถึงเรื่องของหลวงตาเสร็จแล้วอาตมาก็อยากจะเตือนกล่าวเตือนย้ำเตือนพี่น้อง ลูกหลานคณะสัทธ า, ญญาิโยมที่เป็นสิทธิ์สิทธิานุสิทธิ์ขององค์หลวงตานับตั้งแต่หลวงพ่อเนี่ยลงไปอยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันด้วยน้ำใจด้วยน้ำใจด้วยเมตต า, าน้ำใจคืออะไร ค, ค, คือการเสียสละใครมีมากมีน้อยก่อแบ่งปันดูกันอย่างที่ซาลาอย่างพวกเราเมื่อเช้าเนี่ยเวลาได้อาหารมาพวกเราก็ตักใส่ถาดใส่ถ้วย เ, เพื่อแบ่งกันให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่าอยู่ในกระจุกใดกระจุกหนึ่ง เ, เมื่ออาตมาภาพได้อาหารมาหลวงอาตมาภาพก็มองเห็นเท่าที่จะมองได้ควรจะให้ที่ไหนบ้าง อ, าอันนี้แหะคือน้ําใจคือองค์หลวงตาของเราเนี่ยท่านไปทีสถานที่ใดท่านมีน้ําใจเห็นไหมท่านซื้อพวกน้ํามันพืชพวกน้ําปลาพวกขนมพวกข้าวสารน้ําตาลในทุกคูดังเต็มอยู่นั่นเดียวนี้ ถึงท่านจะป่วยเธอท่านสั่งไว้แล้วตั้งแต่ก่อนถ้าโรงพยาบาลมาเอาให้โรงพยาบาลนะให้ขนให้โรงพยาบาลไหนในจังหวัดอุดอรใ น, ในภาคอีสานที่จะมาถึงได้ท่านให้ทั้ง น, น้ํามันด้วยนะรถคันไหนมารับมารับของจากวัดป่าบ้านตาดไปท่านให้ทั้งน้ํามันด้วยให้ทั้งของด้วยไม่ให้แต่เฉพาะทางโรงพยาบาลหรือสถานที่สงเคราะห์เท่านั้นนะพระลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตา วัดไหนต้องการอยากมีความจำเป็นอยู่ห่างไกล อ, อาหารการบริโภคระหว่าขาดเหลือขาดตกพระในวัดป่าบ้านตาท่านก็มองอีกท่านก็จัดให้อีกอท่านก็รับไปให้วัดต่างๆที่เป็นศิษยานุศิษฐ์นี่แหละคือน้าใจของรวงตาเนี่ยเหลือล้นเหลือขนาเพราะนั้นพวกเราในฐานะศิษย์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ด้วยกันจะอยู่แบบ ไม่มีน้ําใจต่อกันเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสอนหลวงพ่ออะแต่พวกเรามีน้ําใจอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ยินได้ฟังะเออแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนะเออใช่หลวงตาสอนให้พวกเรามีน้ําใจมีเมตตาต่อกันเพราะหลวงตาไปในโรงพยาบาลในชนนบทหลวงตาก็ไปเห็นหมอคณะแพทย์คณะหมอเนี่อ เขาบอกว่าลงตาครับผมกับผมโรงพยาบาลเป็นหนี้อยู่ประมาณหหมื่นห้าหกหมื่นครับลงตาก็ถามว่าทำไมาเป็นหนี้เพราะว่าชาวบ้านเข้ามาโรงพยาบาลบ้านเขาห่างไกลพอมาป่วยเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไม่มีกระทั่งจักรยานไม่มีกระทั่งหมอเตาใส่เขาเหมารถมาหรือว่าเขาจ้างรถมาพอมาถึงโรงพยาบาลก่อน พ่อแม่บางทีก็ลูกเฝ้าป่วยจะ ก, กลับไปเ อ, เอาเอาอาหารที่บ้านเขาก็ไม่ได้เพราะมันไกลไม่มีจักรยานจะเดินไปก็ไม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดกิโล10กิโลเนี่ยเขาก็มานอนนอนก็ไม่รู้เขาจะกินอะไรทางโรงพยาบาลก็ทําอาหารเลี้ยงสิเพาะเขาไม่มีอาหารกินก็ต้องทําอาหารเลี้ยงไอ้คนเฝ้าป่วยไอ้คนป่วยไม่ต้องว่าแหละหลวงพญาบาลเลี้ยงอยู่แล้วก็ทําอาหารเลี้ยงพวกที่เฝ้าป่วยเพื่อเขาให้เขาได้กินในเมื่อ คนเฝ้าป่วยมื่ก็จะทํำยังไงทีนี้โรงพยาบาลก็ต้องเอาเงินของโรงพยาบาลไปซื้ออาหารมากลีเลี้ยงึอาหารมากลีเลี้ยงเพราะในสุดโรงพยาบาลเลยเป็นปูนพอกหางหมูทีนี่เออพอกหางหมูเมื่ก็เป็นหนี้ขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ละโรงพยาบาลก็เป็นหนี้โรงพยาบาลในชนบทนลุงตาไปทั้งขอขอขอโอ้ลุงตาถ้านลุงตาพอจะเมตตาได้โรงพยาบาลเป็นหนี้หนี้เรื่องอาหารสําหรับเลี้ยง คนที่มาเฝ้าไข่นี่แหละอืจําเป็นก็เลยทําอาหารเลี้ยงเขาลงตาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณประมาณถ้าว่าไปก็ประมาณหมื่นกว่าบาทลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ละเดือนลงตาก็นเลยไปแต่ละครั้งลงตากันเลยไปถึงโรงพยาบาลไหนลงตาจะให้ลงละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเออนี่นแหละถ้าอาตมาภาพไม่ไม่บอกให้ฟังเนี่ยพวกเราก็คงจะไม่รู้ท่านไปที่ไหนท่านให้ทั้งหมด เอนี่แหละคือความมีน้ำใจของหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงตาเอาไว้หลวงตาอยู่ที่ไหนอยู่เย็นเป็นสุขไปหมดไปที่ไหนมีแต่มีแต่ลูกศิษย์ลูกหามีแต่ผู้เคารพนับถือเลื่อมใสเพราะเห็นไรพ่อ ห, หอลวงตามีเมตตาท่านหลวงตาขี้ตะนีทีเหนียวสย่ามนะหลวงพ่อก็ไม่มาใกล้มันกันนะเ อ, อไม่ใช่แต่พวกเราทนะ่านหลวงตาขี้ตะนีนะ อันนี้หลวงตามีน้ําใจเอสงเคราะห์ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยเท่าไหร่เอมากมายทีเดียวว่างั้นผลหลวงพ่อได้พูดไปแล้วที่องค์หลวงตาสงเคราะห์เพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยถือว่าเป็นพ่อของหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงตาคือพ่ออคุณพ่อของหลวงพ่ออเพราะฉะนั้นท่านมีอะไรหลวงพ่อก็เข้ามาเข้ามาดูในเมื่อมีคราวจําเป็นอคล้ายๆว่ามอบกายถวายตัวเลยเอมีอะไร ที่จะให้กระผมหรือว่าลูกทั้งหลายทุกคนได้ช่วยอันนี้หลวงพ่อเองก็คิดถึงพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าน่าจะทายแย่โยมทุกหมู่เหล่าก็คงจะคิดอย่างหลวงพ่อเหมือนกันถ้าหลวงตามีอะไรก็พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะช่วยเทิดทูนพระคุณของท่านเพราะท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนบุพการีคืออะไรคือท่านให้ธรรมะ ไม่มีอะไรที่จะดีเย่งกว่าให้ธรรมะพ่อแม่เราเนี่ยให้แต่ร่างกายให้แต่ร่างกายสุขภาพร่างกายแต่จากนั้นขั้นก็ให้บ้างให้เรียนหนังสือแต่ลวงตาเนี่ยให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจทำยังไงจึงพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกลวงตาท่านสอนเึงขนาดนั้นเพราะท่านท่านจึงเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวน์อย่าได้มีอย่าได้มีคําว่าอาฆาตพยาบาทอิจฉากันถึงจะมีก็อยาให้มีการอิจฉากันอันดับแรกก็คือความหลงสก่อนนะพอหลงขึ้นมาแล้วก็โทสะพอโ ท, โทสะขึ้นมาแล้วก่อนนี่แหละคือความไม่พอใจคือโกรธขึ้นมาแล้วเห็นมดก็ บ, บี้หมด เห็นแมลงสาบกขฆ่าแมลงสาบเห็นตุ๊กแกก็ตีฆ่าตุ๊กแกเองอยากจะอยู่โลกคนเดียวไม่อยากจะให้ใครมาอยู่ด้วยแต่ตามไม่จริงมดก็เป็นกรรมข้องมันแมลงสาบก็เป็นกรรมข้องมันตุ๊กแกก็เป็นกรรมของมันงูก็เป็นกรรมของมันกรรมข้องมันพามาเกิดอย่างนั้อย่างหลวงพ่อเอ็นก็เหมือนกันหลวงพ่อเอ็นกับบาปและบุญพามาเกิดเพราะงนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเอ็นอยากจะเกิดเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นพระอรหันเลยนะ แต่จะทายังไงไดเ้เพราะบาปพามาเกิดบาปมันก็มีอยูนะ่บุญมันก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะมีบุญและมีบาปคลองไข่ค้องเราเอแต่เป็นฟรองฟรองเขากับบาปบุญพาไปเกิดจีนบุญพาบาปพาไปเกิดอมนุษย์คนไหนกับบุญบุญพาปพาไปเกิดแต่ทีนี้ค้องไข่ค้องเราทีนี้ต่างต่างๆคนก็ต่างใช้กรรมคล้องไข่คล้องเราแต่ทีนี้พวกเราจะไป หเห็นหมดกับบีมดหเห็นปวกกับบีปวกเอกฆ่าไกลพยาบาทอาคาดจองเวรอย่างนั้นมันไม่ถูกนะ ห, หลวงพ่อว่านะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าไปอิจฉากันอย่าไปอิจฉาพยาบาทอาคาตจองเวรต่อมาอิจฉาคนเสมอกันอีกแข่งกันอีกอิจฉาเขากลัวเขาจะล้ําตัวเองไปต่อไปอิจฉาใผู้ที่เหนือกว่าอีกความอิจฉาเขานี่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะ เออควรไสุงอิจฉาพลัรหัน์อิจฉาพระพุทธเจ้าพระเทวทัตทอิจฉากระตั้งพระพุทธเจ้าใช่ไหมละ่ะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแข่งพระพุทธเจ้าอิจฉาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในคำอิจฉาเนี่ยอยู่ในจิตใจของพวกเราหนึ่งก็ดีสองก็ดีสมก็ดีมีอยู่แล้วความอิจฉาอื่นที่มันจะเกิดนะอมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเหตุลรเพราะมันมีหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นควรละเสียเนี ส่วนความไม่อิจฉาเนี่ยความมีน้ําใจหนึ่งก็ดี2องก็ดี3ามก็ดีมีอยู่แล้วความมีน้ําใจอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรเสริมเสริม ค, ความมีน้ําใจความมีเมตตาผมพระเดชเจ้าท่านตัดท่านตรัส ท, ท่านสอนไว้ว่าความอิจฉากันเนี่ยเคยตกนรกหมกไหมม า, มามากต่อมากแล้วนะฮนะนะนี่หลวงพ่อจะสอนเป็นนิทานชาดกนะนะที่นี่นะ สมัยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกรุงสาวัตถีเนะี่ยมีพระองค์หนึ่งอยู่ในป่าอยู่องเดียวเพราะงั้นนะ่ะมีพระอยู่ในป่าองค์เดียวท่านปารบเรื่องนี้ขึ้นมาท่านปารบเรื่องพระภิกษุชื่อสัมภูการนะคือสัมภูกานี่ได้สําเร็จเป็นพระหรันแต่ว่าบุพกรรมของสัมภูกะรนี่พอเกิดมา เกิดมาในตระกูลตระกูลมีอันจะกินมันตระกูลรวยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ชอบนุ่งเสื้อผ้าใครเอาผ้ามาันไม่ได้กันสบัด ท, ทิ้งทั้งหมดเออแต่ไปเห็นอุจจะลระตัวเองเนี่ยกินอุจจระเออท่น้พ่อแม่โอ้โหรู้จะทำยังไงออมันยังเด็กอยู่มั้งมันยังทำอย่างนี้พอในสูรก็เลยไม่นุ่งเสื้อผ้าแล้วก็กินอุจจร ะ, ะตัวเองตลอด โอ้พ่อแม่ก็อายท่นี้เออไม่ได้ไรไรต้องไปส่งไปกับพวกพวกไม่มีเสื้อผ้าพวกนักบวชที่ไม่มีเสื้อผ้ า, างั้นอ่ะในอินเดียมีนะป่ะเอาไปบวชเขาก็เลยเอาไปบวชเอาไปให้พวกนั้นก่อนะพอไปให้พวกนั้นเขาก่อนเออดีพราะไม่ไม่นุ่งเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ไหมเ อ, อเข้ากันได้แต่ท่านี้พอเอาไปฝากให้เขาแล้วนะเวลาเขาจะป่งผมเนะ่ะเขาจะขุดหลุมลงไปเพียงแค่คอแล้ว เอาไม้กระดานคอคำ้ำสบายแล้วก็ถอนผมถอนขนด้วยเส้นตานเหมือนกนะัถอนโอ้โหแดงเถือกอันนั้นคือเจ้ามีตะปะแก่กล้าขนาดไหนเจ้ามีความอดทนขนาดไหนถ้าเจ้ามีความอดอยู่ได้ถอนขนไ ด, ถนนได้ถอนผมได้พ่อเขาถอนผมเสร็จแล้วเขาก็อา้าวทาพิธีบวชให้ถึงเอเป็นอาเจลกะเหมือนกันค่ะพอต่อมาทีนี้อาเจรกะคนนี้ไปอยู่กับเขาอยู่เป็นประพฤติเป็นอาเจรกะ ต่อมาที่นีไอเจรกะคนหนุมไอเจรกะใหม่นี่ไม่ไปบินทบาทแล้วไม่ไปหาขอข้าวไม่ไปบินทบาทไม่ออกไปหาอาหารเหมือนกับเจรกะอื่น เ, เจรกระื่นเข้าไปในที่นิมนต์ไอเจรกะนี้ก็ใหม่ไปแต่เนี่ยไอเจรกะอยู่ในวัดของเขาเอ๊ะทำไมไอเจรกะหนุ่มตัวนี้นักปวดคนเนี้ชีเปลยคนเนี้ทำไมมันกินอะไรวะเอมันกินอะไรมันทาไมอยู่ได้ปะ เขาก็สงสัยแต่แต่พออยู่ด้วยกันใช่ไหมเฟินเฟินนี่เดี๋ยเขาก็เลยปล่อยสายเอาไว้ปล่อยสายดักเอาไว้ว่าเอามันจะไปยังไงอเจริ mm. กะ mm. คนนี้มันไม่มันไม่กินอาหารจะอยู่ได้ยังไงเจนนี้ก็ mm. เขาก็ส่มอยู่วงานแตะองค์ที่ไปก็ไปแล้วเจริกะที่ในกิจนี่มอนเขาเจนนี่ก็อเจริกะชุมภูกระนี่ก็ออกมาจากห้องแล้ก็ mm. มองซ้ายมองขวาเดี๋ยวหน้าเลี้ยวหลังไม่เห็นใครใช่ไหมอะไรก้องแก้งออกไปไปมุดลงไปใน ในในห้องน้ําในช่วมสมัยก่อ น, นเป็นช่วมปล่อยใช่ไหมละ่ะแล้วมันเป็นช่วงปล่อยแล้วก็เขาปูดหลุงลงไปอเจารเลกาตัวนี้ก็นโขนลงไปมันไปกินขี้อยู่ในในในส่วมแล้วไงพอกินอิ่มฉัน็จแล้วมากล้างปากลักงคองทํำท่าเฉ ย, ยเอยคนนี้ก็เห็นโอ้ยอเจารย์กาตัวนี้ทําไมมันลงไปกินอุจจาระวะ่าในช่วงว่ะพอต่อมาอีกดักตัวอีกเฮ็ดอีกทุกวันเลย อันแี้เราโอ้ก็เลยบอกให้หมูไม่ได้นะถ้าว่าเจริกะคนนี้อยู่ในวัดของเราเนี่ไอเจริกะกินอุจจาระเนี่ยตายวัดของเราเนี่ยเสื่อมเสียไปหมดไปไล่ออกเนยเขาก็เลยไล่จพูกะจากวัดเขาเหงือนกันเลพอจําพูกะเนี่ยก็เดินออกไปในกรุงราชคกุ์นะไปเห็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นชงอนหินจุดนั้นนะ่ยคือประเทศอินเดียพวกเราก็เคยไปใช่ไหมเขาปล่อยไม่เป็นที่เป็นทางในอินเดียนะ เขาปล่อยเรียราาไปหมดว่างั้นเถอะตอนี้เขาก็เป็นที่ของเราที่ปล่อยอุจจาระว่างั้นเถอะมันเป็นก้อนหินมันเป็นนั่นแหละคนทั้งบ้านทั้งเมืองแถบนั้นก็ไปไปถ่ายตรงนั้นอ่ะตอนี้ชมสำภูกระนี่ก็ไปเห็นอืที่นี่เป็นเป็นสปายะสําหรับเราวะมันหาได้ง่ายหาอาหารได้ง่ายว่างั้นเถอะอย่างนั้นเขาก็ตั้งวัดอยู่แถบแถบแถบนั้นแหละพอตั้งวัดอะไรกลางคืนตอนเช้ามืดคนเงียบเลยกันนั่นแหะ สำภูการเนี่ยก็ไปกินขี้เพราะงั้นแหละจะไปกินอุจจาระของชาวบ้านกินอิ่มแล้วกลางวันกน็ยืนขาเดียวนะว่าแขนอีกต่างหากนีอ้าปากก็ว่างั้นะกินลมอะตากแดดเพราะงั้นแ่ะคือบําเพนตะปาคนก็ถามโอ้อากาศท่านหาอาหารแล้เรากินลมเราไม่ได้กินอะไรหรอกเอาทําไมท่านจะไม่เหยียบลงสองขาเพราะกลัวแผ่นดินถลม่มเพาะงั้นเหยียบขาเดียวก็พอแล้วล่ะอ่า คี่คุยอีกต่างหากนะว่งงางั้นเถอะอจิระกาอตออจิระกาชัมพูกา嘛แต่นี้คนทั้งหลายโอ้โหนับถือเลื่อมใสว่งงางั้นเถอะเอาอาหารมาให้กินกันเนี่ยเอามาถ้าจะให้เรากินก็เอาเอาปลายหญ้าคามาจิมนะจิมน้ำพึ่งหน่อยหนึ่งเอามาใส่ในปากเท่านั้นละพอว่งงางั้นเถอะเอากินไม่มากแต่ที่ไหนได้ชัมพูกาไปกินอุจจาระกลางคืนว่งงางั้นเถอะ เทนี้ก็พอต่อมาบารมีของท่านแก่แก่กล้านะสัมภูกระถึงคือในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะอายุยืนถึงสองหมื่นปีบำเพ็ญตระปะภาวนาแต่เพราะความอิจฉาของท่านนะอิจฉาพระอรหันต์พออิจฉาพระอรหันต์เทนี้ก็เนี่ยนะปาหมาดพระอรหันต์จากนั้นในชาตินั้นนะ่ะที่ท่านบำเพ็ญมาถึงสองหมืปีนั้น บร ม, มีและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาถึงสองหมื่นปีไม่คุ้มครองท่านได้เลยเงั้นแต่พอท่านตายจากชา น, นั้นเด่งลงนรกเลยเออออกจากนรกก็ขึ้นมาพ่อขึ้นมากันเลยมาคราวนี้ก็เลยตัวเองพูดกับพลัหรหันอย่างไรปลาหมาดกับพลัหรหันอย่างไรตัวเองได้รับหมดอย่างั้นอแออทีนี้ก็จากนั้นก็บร ม, มีท่านก็มีเก่าแก่แต่ท่านจะบทกลมแต่พระพุทธเจ้า ก, ก็นั่ง สมาธิโยนสว่างคือชัมภูการก็เข้ามาในข่ายคืออย่างพระพุทธเจ้าท่านมีจอเรดาร์ใช่ไหมกลางคืนพอจยนสว่างพระุทธองค์ก็หมุนเรดาร์ไปว่าสรรพสัตย์ท่านใดที่มีบุญบา ร, รมีที่จะให้พระพุทธเจ้าไปโปรดรึไปแสดงธรรมให้ฟังทีนี้ก็ชัมภูการนะครับมาในจอจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าท่านก็มองดูเออเป็นยังไง สัมภูกาเนี่ยเขาจะนับถือเขาจะเลื่อมใสเขาจะฟังธรรมเทศนาไหมเพราะพระองค์กับท่านก็รู้เลยต้องรยิงกับคอมพิวเตอร์เหาือนกนเลยญานทัศนะของท่านท่านรู้ได้หมดโอ้สัมภูการใช้กรรมกรรมในอดีตตัวเองได้ประมาทพระรหัสมาชาตินี้ก็เลยได้รับกรรมเสียสาหัสเอาเถอะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะได้สําเร็จเป็นพระรหัสนในชาตินี้เราจะต้องไปในสถานที่แห่งนั้น ต่านนี้ในตรงจำพูกาอยู่นั้นเป็นที่ถ่ายอุจจระของคนทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมละ่ะเอานพระพุทธองค์บอกว่าเราจะไปท่านนะพระอินทร์อยู่บนอยู่ชั้นดาวดึงโอ้พระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จไปโปรดจมพูกาหนะวันนี้คนจะได้สดําเร็จเป็นหลายหมื่นคนในบริเวณนั้นท่านในพระองค์บอกเราจะไปโปรดจำพูกาเท่านั้นละ่ะ เ, เสียงคํานี้แหละ ร้ายกว่าเสียงเสียงสถานีว่งั้นใครนั่งอยู่แถวนะ้ยินหมดว่างั้นเดอกแถวนี้คนก็โอ้พระพุทธเจ้าจะไปที่เงื้อมสังก้อนหินที่ซัมภูกาอยู่น ว, วันนี้คนทะ้ัฐไปกันทั้งหมดก่อนที่จะไปพระอินทร์อยู่บนสวนท่านบรรดาลให้ให้ฝนตกว่างั้นเหรฝนตกห่าใหญ่ไหลทะลักพวกขี้พวกอุจจร ะ, ะสิงสกปลกทั้งหลายแล้วออกหมดในบริเวณนั้นพระพุทธเจ้าก็ไป ไปทั้งคำถามสัมผูกะท่านทำอะไรผมบอมเพนตะปะมันมีที่พักไหมล่ะไม่มีครับไม่มีสําพระโคดมไม่มีไม่มีที่พั ก, ร บ, ร บ, โโพกบริเวณอ้าว เ, เราเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเรามาขออาศัยเธอก็ต้องหาที่พักให้เราสเิเราไม่มีน้ำใจเฉอได้เลยสัมพูกะเออท่าอย่างนั้นนะไปพักในเงือมนั่นก็ได้น ะ, ะให้คือ่อให้ห่างๆตัวเองมันว เพราะตังตัวเองกลางคืนออกไปไปกินอุจจาระเนี่ยใช่ไหมกลัวกลัวคนอื่นจะมาเห็นตัวเองเนะฮะใช่ไหมอันนี้คนมีความชั่วอย่างนั้นอ่ะไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้ใครอยู่ใกล้ว่างั้นเดีให้ใครอยู่ไกลๆไม่อยู่ที่น่นพระองค์อ้าวอยู่ก็ได้จากนั้นพระองค์ก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นในกลางคืนกับเทวดาอะไรมาหาสัมภูร์ก็แปลกใจทีนี้อันนี้พ่อ พ, พูดอย่างรวบลัดเลยนะทีนี้นะจากนั้นพระองค์ก็ได้ สัมภูกาก็ได้เขาไปกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็าได้เทศให้ฟังให้ฟังท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในตอนเช้าวันลุงขึ้นพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วตอนี้พวกชาวกรุงราชครือก็เข้ามาทีโอ้โหเขาก็มาเห็นพราเขาเคารพสัมภูการนี่เป็นหนึ่งในหัวใจของเขางั้นเถอะเออตอนนี้เห็นพระพุทธเจ้านั่งเออสัมภูก า, กากับ สัมมาณโคดมใครแน่กว่ากันช่เนี่ยคนทั้งหลายเห็นเหมือนกันเลอสัมมาณโคดมกับสัมภูกะเนี่ยใครแน่กว่ากันคือลูกศิษย์สัมภูกาเนี่ยยกว่าชัมภูการเนี่ยพระหรันเนี่ยเขายังไม่เชื่อว่าพระเทเจ้าเนี่ยพระหรันเหมือนสัมภูกางัานใดในผลในสุดก็พระองค์บอกว่าสัมภูกะลูกศิษย์ของท่านนะ่ะมีความสงสัยเพราะฉะนั้นเธอต้องทําให้เขาหายสงสัยนะคาบผม คือสัมภูการใส่ชุดบวชว่าเอหิพิคุด้วยนะอพอฟังเทศแล้วเกิดความคารบเรมใส่ศรัตัวเองแล้วก็พระโตองบอกอ้าว เ, เธอจงเป็นภิกษุนะั้นเอหิพิคุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะพอเท่านั้นแหละบริขารลอยมาสวมเข้าสัมภูกาเนะี่ยเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเหมือนร้อยพันสางั้นเถอะอให้ข้าดูลักษณะ เน่ยพราะอุปนิสัยเก่าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยจากนั้นท่านก็กระผมพอจากนั้นสมผูกาได้ก็เหาะขึ้นบนท้องฟ้าลงมากราบพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งขึ้นอีกครั้งที่สองครั้งมที่สจนพี่น้องประชาชนชาวกรุงราชคือเห็นอิทธิฤทธิแเราเห็นความความอ่อนน้อมของสัมผูกาว่าสัมผูกาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของสัมผูกา จากนั้นพระองค์ก็ได้เทศนาให้ฟังอีกเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่าทำความชั่วเนอะพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นพวกท่านก็ถือพระไตยส ร, รณคมมีศีลห้ากันที่เป็นลูกศิษย์ของสัมภูกระมีมากมากในคราวนั้นเทศนาได้มากในครั้งหนึ่งในคราวนั้นจากนั้นก็พกระองค์ก็นําสัมภูกะเข้ามาสู่วัด พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ถามว่าทำไมสัมภูกะเนี่ยมีนิตยิสัยมรรคผลนิพพานจะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์อยู่แล้วเนี่ยทำไมจึงได้รับกรรมถึงขนาดนี้พราะพระโตองค์ว่ากรรมเก่ากรรมในอดีตชาติกรรมไหนหนอพระเจ้าขาดพระสงฆ์ทั้งหลายก็อยากจะฟังอดีตกรรมของชัมภูกะพราะพระโตองค์บอกว่าสมัยก่อนนั่นน่ะสัมภูกาเนี่ย บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะอย่างที่ว่านเนี่ยไปอยู่ในป่าเพราะอยู่ในป่าเนี่ยก็มีพระอรหันต์ท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มีญาทัศนะเหาะเหินเดินฟ้าได้เหมือนกันเถะแล้วมาขอพักในวัดของเนี่ยพระองค์นี้เหมือนกันเถอมาขอพักในพระองค์นี้พระองค์นี้ก็เห็นเอาพักก็ได้พักในวัดอยู่ด้วยกันสององค์แต่ในโยมอุปถาคโยมอุปถากของของวัดนั้นนะ่ะ ท่านเห็นผ้าออโอ้เกิดความเริ่มเคารพเริ่มใส่นับถือกิริยามารยาทุสืกว่าผ้าองค์นี้มีสีลายจัรวัดงดงามสวยงามมากเออท่านว่าพระคุณท่านขอในในมณฑพักอยู่ที่นี่นานๆ น, น, น, นะครับผมแล้วก็ท่านยังไม่ได้ปงผมใช่ไหมเนี่ยท่านไม่ได้ปงผมเดี๋ยวผมจะส่งช่างมาปงผมถวายท่านเพราะท่านไปเที่ยวป่ามานานผมท่านยาวแล้วก็ เตียงท่านยังไม่มีนะเดี๋ยวผมจะเอาเตียงมาให้นอนแล้วก็เอาผ้าผ้าของเข้าของท่านก็ชำรุดมากแล้วเดี๋ยวผมจะถวายผ้าท่านแล้วกับันพงนี้ขอนมนท่านไปฉันบ้านของโยมนะบ้านของผมนะกับพระอาจารย์ที่อยู่วัดนี่แหละไปด้วยกันผมจะเตรียมอาหารถวายท่านทั้งสองที่ท่านญาติโยมเขานนมนต์แต่พระองค์ที่อยู่ในวัดเนี่ยอิดฉะงั้นกัดเขี้ยวกัดคันทาไม เห็นพระใหม่มาดีกว่าเราถ้าหาว่าพระองค์นี้อยู่ที่วัดนี้ต่อไปนะเราก็คงจะหนีออกจากวัดนี้ญาติโ ย, ยมคนนี้เขาคงจะเลื่อมใสพระองค์นี้มากกว่าเราในความอิจฉาเกิดขึ้นในใจของของพระองค์ที่อยู่เก่าว่างนั้นอ่ะอิจฉาอย่างมากนั่นใ น, ในใจเนี่ยทั้งคืนเลยเกือบนอนไม่หลับอ่างนั้นอ่ะอิจฉาพระอรหรันต์ที่ที่มาอยู่วัดนั้น่ะผลที่สุดตอนเช้าถึง พอถึงตอนเช้าไปบินทบบาทพระอระหันนี่ท่านรู้ได้แต่นไหนท่านมีญาณทัตนะท่านรู้โอ้โหถ้าเราขืนอยู่ที่นี่ต่อไปพระองค์นี้ก็คงจะทำบาปกล้ำ ม, มากเพราะนั้นเราควรห น, นีในกลางขืนนี่แหละจากนั้นถ้ากันหนีไปเลยพอเห็นว่าพระองค์นี้ไม่เป็นมิตรไม่ให้ความเอื้อเฟือ้อถ้าขืนอยู่ต่อไปก็ยิ่งทำบาปกล้ำ ม, มากทาให้เขาหนักใจ พระรหันต์ก็เลยหนีออกกลางคืนไปพอนี้กลางคืนตอนเช้าเนีพระองค์นี่ก็ได้เวลาบินทบาทพอบิณทบาตเสร็จแล้วตามไม่จริงก็ต้องเคาะคระฆังใช่ไหมถ้าองค์นั้นก็ต้องเคาะระฆังปองปังปังปังปั ง, งเพื่อเตือนกันแล้วก็ไปบินทบาตแต่วันนั้นน่ะเอาเถอะไอ้พระที่เป็นเจ้าอาวาสเอาเถอะถ้าเราเคาะคระฆังเดี๋ยวก็จะตามเราไปบินทบาตเดี๋ยวโยมทั้งหลายก็จะติดใจกับพระองค์นี้อีกเออเราจะอยู่ลาําบากเออแย่งมาแย่งลาบแย่งยศเรา เราจะไม่ให้พระ อ, องค์นี้ไปเราจะเอาเอานี้หมึกดีดและคังว่าไงเดี๋ยวว่าอา จ, จะมาได้ดีดและคังแล้วเคาะรละคังแล้วพระ อ, องค์นั้นเงียบไปละะักษณะไปกระดีและคังปัง๊บปเ๊บปั๊บเอาเล็บดีดว่าไงเดี๋ยวดีดและคังมันก็ไม่ดังใช่ไหมเด็ดเดือบพอดีดเสร็จแล้วก็ไปพอไปถึงโยมก็โยมก็ถามมาพระคุณท่านเอาทําไมมาองค์เดียวพระองค์นี้ก็บอกว่าโอ้ยองค์นั้นอะ่ะเป็นยังไงเขาไม่รู้ เออคงนอนไม่ตื่นมั้งนอนไม่ตื่นหรอกเออมาโคโลโกโซอะไรก็งใหม่รู้นะแค่แค่ว่าเอาเรื่องเรื่องที่ไม่ดีทับโสมพระที่มาใหม่เหมะนนะั้ยมก็เลยเออที่เราดูแล้วพระที่มาเมื่อวานไม่ใช่พระโคโลโกสซนะศรีราจาวัตของท่านหน้าเคารพหน้านับถือเลื่อมใสจริงๆเอาเถอะเออคงจะมีการไม่เข้าใจกันสักอย่างมัออ้งไม่เป็นไรเออพระคุณท่าน ผมถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็คงจะคงจะไม่สบายหรือว่าท่านมีอะไรผมขอฝากอาหารไปถวายท่านด้วยนะไปถวายท่านด้วยนะถนพอถวายท่านเสร็จแล้วก็จำนวนหนึ่งผมก็จะฝากไปถวายพระคุณท่านที่นั่นไม่ได้มาท่านอาจจะเดินทางเหนื่อยท่านอาจจะนอนตื่นไม่ตื่นก็ได้แต่ถึงยังไงก็ขอฝากอาหารไปครับผมเออได้ พอในองค์นี้ฉันเสร็จก็ไปล้างบาทล้างบาตรก็ห่ออาหารอย่างดีเอาเข้าไปในบาตรก็ส่งไปพอพระองค์นี้ได้อาหารมาไปถึงครึ่งทางเนี่อถ้าเราเอาอาหารดีๆอย่างนี้ไปให้พระองค์นั้นกินนะก็คงจะติดใจอีกคงจะอยู่วัดของเรานานอีกเอ๊เอาเถอะเราไม่ให้เนี่ยเอาอาหารโยนทิ้งเข้าป่าเอ๊พระองค์นี้สมควรกินขี้เท่านั้นแหละเหมือนกันเอะสมควรกินอุจจาระเท่านั้นพระองค์นี้คล้ายๆพูดถึงว่ะนอ๊ะ yeah. พระองค์นั้นสมควรควรจะกินขี้เท่านั้นไม่ควรจะกินอาหารดีๆอย่างนี้ทำไมโยมปงผมรูด้วยเส้นตาลเหมือนกับเดรถถัทนธะีจะได้ให้หนีจากวัดไปๆนะจากนั้นก็เตียงจะเอามาให้ทำไมผ้าะจะเอามาให้ทำไมพระอย่างนี้คือพระองค์นั้นอิกช้าหมดทุกอย่างพอมาถึงวัดพอมาเห็นวัดไม่เห็นพระองค์นั้นเลยไปดูกุฏิของท่านก็ไม่เห็น พราท่านเหาะไปแล้วเออท่านหนีไปแล้วเพราะท่านไม่ไม่เย่อใยในโลกวัฏสงสารอยู่แล้วท่านไม่ได้เห็นว่าเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเนี่ยเป็นของในใจของท่านเลยอันนั้นมันของอยู่ในโลกเท่านั้นเออเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทําไมจะไปอิดชากันไงแล้วท่านก็เลยห น, นีไปตอนนี้ไปองค์นั้นโอ้โอตายไม่ใช่องค์นั้นเป็นพระราหันเลยหรอเนี่ยคิดในใจเลยเออคิดในใจเอะใจเลยเพราะเราคิดอยู่ทั้งคืนเนี่ยแต่องค์นั้นสงสัยเป็นพระรหัน ก็เลยไม่สบายใจเลืเงี้ยไงบำเพนตะป่อยู่ถึงสองหมื่นปีไม่สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้เพราะฉะนั้นพอตายเสร็จแล้วก็ตกเอเวจีมหานรกอยู่นานพอสมควรจขึ้นมาจากนั้นก็มาใช้กล่อมพอมาเกิดมาพบนิชาตินี้ก็เลยเนี่ยแหละมาเกิดเป็นลูกของโยมมีอันจะกินตระกูลเขาก็ดีว่างั้นแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีผ้านุนเพราะว่า บอกผ้าเนี่ยผ้าอาหารเนี่ยไม่ควรจะหนุ่งผ้าไม่ควรจะหนุ่งผ้าอไม่ควรจะกินอาหารควรจะกินอุดจระตัวเองควรกินอุดจระเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ควรจะนอนเตียงเขาก็นอนกับพื้นตลอดอจากนั้นกับการปองผมของเขาก็ได้ถอนด้วยเส้นตานเหมือนกันคือตัวเองปรามาดไว้ยังไงกลมนั้นตามสนองทั้งหมดกับชัมภูกระภิกษุ เนี่ยแต่จานั้นมาท่านกนะ็หมดกรรมนะหมดกรรมก็คือท่านได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์เพรานั้นเรียว่ า, วากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังอัคตังทุกกตังเสโยปัจฉาตปฏิทุกกตังยยตกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมผอผานเมื่อภายหลังเพราะนั้นการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันไม่เป็นผลดี ความอิจฉาหนึ่งก็ดี2องก็ดีสก็ดีมีอยู่แล้วความอิจฉาอื่นนะมันจะเท่าบีคูณขึ้ น, นเรื่อยๆอย่างเห็นไหมเนะี่ยพระเทวทัศน์ยางอิจฉาพระพุทธเจ้าทําไมจึงอิจฉาพระพุทธเจ้าทั้งที่ตัวเองบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากท่านก็ใช้บุญของท่านกรรมของท่านบุญของท่านต่างคนก็ต่างมีบุญมีกรรมค่องไขของเราก็น่าจะมองตอนเองเท่านั้นแหะพอแล้วทําไมจะไปอิจฉาคนอื่นการอิจฉาคนอื่นเนะี่ยมีแต่ความจีบหาย อมีแต่ความเดือดร้อนตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องของมนุษย์นี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละขนาดลิงฟังแล้วยังเป็นล้างหูเหมือนเถอะเรื่องของมนุษย์นี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนขนาดลิงฟังแล้วยังเป็นล้างหูเมื่อวานได้ยินไหมดิทานที่อัตมาภา พ, าพได้พูดไปออนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณาจาทย์ญาติโยมทุกๆหมู่ทุกเหล่านะ ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทุกคนเกิดมาเพราะกรรมคู่ตนเองทุกคนเกิดมาเพราะกรรมเล็กขิดไม่ใช่ผมเล็กขิกรรมเล็กขิดกรรมเล็กขิดให้เกิดมาถ้าเราทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตกรรมในอดีตน่ะจะมาเล็กขิให้เราเป็นอะไรหูหนวกตาบอดบ้าไใบเสียจิตผิดจากมนุษย์ทั้งหลายเพราะกรรมเล็กขิดถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะเล็กขิด พาไปสู่สุขติในภพภูมิต่างๆจนได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เพราะสรุปแล้วก็คือต่างคนต่างมามาเกิดในโลกนี่มาส่อแสวงหาคุณงามความดีไม่ใช่มาส่อแสวงหาบาปนะทาว่าทํากรรมที่ไม่ดีเรามาส่อแสวงหาบาปแต่ถ้าเรามาทำดีเนะี่ยเรามาส่อแสวงหาบุญคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกในโลกหาได้ใครจะหาอะไรก็หาเอานะใครจะหาบุญ ใครจะหาบาปใครจะหานรกใส่อุตัวเองก็ได้แต่ใครใครจะหาสวรรค์นิพพานใส่ตนเองก็ได้ใครจะหาทุกข์หาจนใส่ตนเองก็ได้ใครจะให้จะหาลําหารวยใส่ตนเองก็ได้เพราะฉนั้นเรามาเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาของเราท่านสอนอย่างไรไมิตรสอนแต่เรื่องคุณงามความดีทางนั้นเราจะมาทําความชั่วเสียหายต่อหน้าต่อตาท่านไม่ไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อวาดนะอาตจะม า, าพาว่านะ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะอันนี้เป็นการกล่าวย้ำบอกเตือนนะแกให้แก่พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาทั้งทีชีวิตควรจะสั่งสมแต่คุณงามความดีควรจะจะสั่งสมแต่บุญกุศลเท่านั้นนะการพูดและการชี้แจงอาภาษขององค์หลวงตา เ, เลยมาจนถึงเื่องธทำกรรมดีกรรมชั่วน ะ, ะให้แก่พวกเราทัานทั้งหลาย แต่จะให้ถูกใจทุกคนนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้คําบังเพยทางอีสานเขาบอ ก, บอกว่านะขั้นเฮ็ุเพถูกใจแล้วแสนสี่อ้อยกับปานดาแสนสี่ปั่นเขาให้เพราะปานไม่ไล่ตีคนทางอีสานเขาจะรู้ได้นะเอขั้นทําไม่ถูกใจแล้ว yes. Yes. แสนสี่อ้อยกับปานดาแสนสี่ปั่นเข้าให้เพราะปานไม่ไล่ตีอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนไม่ถูกกันทํำยังไงมันก็ไม่ถูกว่างั้นะแตอ มันขวางหูขวางตาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าคนถูกกันน่ทำยังไงก็ได้ น, น, นี่แหละคนอีสานเขาว่านะว mm. ันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้สั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลเอาไว้และก็พร้อมกันที่อาตมาภาพได้พูดเ่ชักชวนแนะนำพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เป็นศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงตาบุญกุศลนี่ที่พวกเราได้บาเพ็ญมาในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้มากน้อยขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพของหลวงองหลวงตาขอให้หายจากโรคาพยาธิโดยเร็วพลันด้วยเทิน